อย่าเห็นงานใดเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระผู้บวดมาเพื่อทำละทิเลตอาชวะซึ่งเป็นเชื่อเป็นหนามฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้ออกโดยลำบักเพราะอำ น, นาจของความเพียรนี่เท่านั้นย่าอื่นไม่มีทางที่จะทำทิเลตห่านี้ให้หมดสิ้นลงไปได้ พระเจ้าเวลารงบำเพ็ญเพียรเพื่อความจัดรูพระองค์มีงานอะไรเข้าไปแทรกเราได้คิดกันบ้างไหมเ ร, เราละลึม อ, อยู่ทุกวั น, ท, วนทุกเวลาก่าพุทธังแสดงกระฉานี้นั่นน่ะมีความหมายแค่ไหนเราต้องลึกถึงปฏิปทาของพระองค์ท่านด้วยเวลาออกสมข้หนวดพระองค์มีการงานเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่จะมาสั่งสมกิเลสความกังวล ที่ไหนไม่มีเมียชมก็ขอบความเคียนเพื่อถอดถอนจีเรียบนั้นเป็นแต่ยังไม่ทรงทราบวิธีการปฏิบัติมันก็ล่าช้าและเล่าความลำบากไปตามธรรมดาแต่ยังไงหลักใหญ่คือความสนพระไทยนั้นต่อขันทภเขียนนั้นไม่มีใครสู้พระองค์ท่านได้แล้วมันมีงานใดมาแทรกมาแซงพระสาวกอรหรันอรหนันนั้นมีองค์ไหน ที่ยังไม่บรรลุยิฏฐิทำหรือแต่จะรั้ทำแล้วมีงานอื่นงานใดเข้ามาแทรกแซงมายุ่งเหยิงวุ่นวายเช่นการก่อสร้างดุ่มดุ่มนั่นดุ่มนีผมก็ไม่เห็นในตำหนักตำหน า, นหาอยู่ที่ตรงไหนนี่จะป่าไหนเขาลูกไหนนี่จะท่านประกอบความเพียรอยู่ที่นั่นที่นี่เดินจงตรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในถานที่นั่นที่ น, น, น, น, น, น, น, น, นี่ซึ่งเป็นงานเพื่อถอดถอนจิเหลดโจงกับ ข้าประสงค์คำว่าพุทธิเจ้าที่ทรงประทานพระวาดไว้สําหรับพระจริงๆนี่ให้จําให้ระลึกเรื่องเหล่านี้เข้ามาสูงหัวใจอย่าเอาเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องขีที่มูลาขี้ม้แห้งเรื่องตกกับตกที่เห่อกันนี้เข้ามาทําลายจิตใจนะจะเป็นบ้าไป้วยกันหมดเวลานี้กําลังเป็นบ้าเหาาาาื่อพระธรรมฐานของเรา เหอในการก่อสร้างก็เหอเหอ ว, ว่าเขาเนื่อนับถือนิมนต์ไปปลุกท่า น, นเศษที่นี่ก็กําลังเหอสร้างนั่นสร้างนี่กำลังเหอปลุกเศษนั้นปลุกเศษนี่กําลังเหอกําลังขลังงทั้งๆ ท, ที่หัวใจหาความขลังไม่ได้เลยแล้วจะเอาสิ่งนี้ขลังมาจากไหนแน่สิขอให้มขลังหัวใจนี้เถอดหนา ดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าด้วยความภาเคเพียงเพื่อถอาถอนกิเลสให้มันหมดไปเดินดับดับจิเรื่องความขังไม่ต้องหวอกที่ขังอเองขังอยู่คนเดียวไม่ต้องไปขังเพื่ออวดโลกอวดสงสารที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนก็ขังถ้าหัวใจดวงนี้ได้หมดสิ่งที่พาให้ไม่ขังแล้วคือกิเลสสิ่งต่ำชาเร็วสั่มันเป็นเครื่องทําลายความขังของสั่ ทำลายคุณค่าของใจไม่มีอันใดมาทำลายคุณค่าของใจได้นอกจากที่เลศทุกประเภทความโลภความโกรธความหลงราคะรับราคะตัณหานี่แหละคือสิ่งทำลายจิตใจสิ่งที่จะเหยีบยบย่ำมาทำลายจิตใจให้หาคุณค่าไม่ได้หาความสุขไม่ได้คือสิ่งเหล่านี้เพรา ะ, ะนั้นจงดำเนินจิตตภาวนาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้ทรงสั่งสอน อุบายวิธีเหลนี้เป็นทางเดินที่ถูกต้องและเป็นอุบายวิธีที่จะถอาถอนกิเลสได้โดยลํำดับจนกระทั่งถึงความสิ้นสุดยมุตพรนิพพานแม่นอกเหนือประจากความภากเทียนที่พระพุทธเจ้าทรงประทานมาแล้วนี้ให้พวกเราแล้วนี้เลยเราจะหลงหล ง, หล ง, หลงโลกหลงอสาหโลกมีมีล้วนตั้งแต่มีคนกิเลสคนมีกิเลสเต็มหัวใจ เราอย่าไปเชื่อง่ายมากฮะก็ตามองค์ใดก็ตามถ้าเราปฏิบัติตามศีลตามธรรมตามหลักของพระพุทธเจ้าทุกข์ต่างๆไว้น้อมทั้ท ง, งฉะนกระถานี่ยร้ายภายในใจิตใจองค์ใพดพระพุปฏิบัติดีปฏิบัติก็ตลอดทึ้งความรู้ความเห็นที่จะเป็นเครื่องคชักจูงห ร, รือเป็นคติเตือนใจเราได้เรายอมรับเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นครูปิณจาร์ที่ดีครูข้าวสมมาคุณ ในธรรมท่านก่อนาว่าถ้าว่าเธอทั้งหลายมีเพื่อนฝูงอันเป็นการกันยาณมิตรเพื่องเป็นคติเพื่องสอนใจซึ่งกันกากันได้ให้พึนไปกับพฤฤุกสุหรือท่านองค์นั้นเถอะหากว่าไม่มีกัญยานณมิตรแล้วซ้ายพึงไปคนคนเดียวแต่อย่าทำความลำบากนะ สอนไม่ไให้ทานี่มีอย่างนี้ยายาแรงที่ไหนยาแรงอะไรมากขึ้นกว่าธรรมยาตื่นโลกตื่นสงสารทุกวันนี้ยิ่งมีแต่ของปลอมของเครื่องยั่วยวนกวนใจทำลายธรรมะพายจิตใจให้แหลกเล้วไปหมดมีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าในวัดนอกวัด สถานที่ต่างๆตามบ้านตามเมืองมีแต่เรื่องทําลายสิ่งทำทั้งนั้นเราจะไว้ใจได้ยังไงและผลที่มันแสดงออกมาก็คือความรุมร้อนอเราต้องการความร่มร้อนเหนือเราบวนมาเพื่อความร่มเย็นทาอย่างไรถึงจะให้มีความร่มเย็นก็คือการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าผู้ทรงได้รับความร่มเย็นมาแล้วเพราะการปฏิบัติเหล่านี้ก็มีเท่านั้น แ, แนวของพระพุทธเจ้าของสาวกท่านดำเนินอย่างไรให้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ยาให้เสื่อมให้คลายลงไปอยาให้อ่อนลงไปเป้นก็เป็นตายก็ตายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยข้อปฏิบัติเพื่อกรรมสัตว์สิเด็ดเอาตายไหนก็ตายเถอะลูกศิษยาทศกุลตายด้วยความมีคุณค่าเพราะความเพียรขังตงนั้นขังยาหาของทั้งขังอย่างเขาทากันนั่น สร้างเหรียญบ้างตุกเศสกนั่นตุกเสกนี่สแสดงอภินิหารก่อนนั่นสร้างนี่ อ, อภินิหารอภินิหารบ้าอะไรอย่างนั้นอภินิหารของพากับเป็นผู้ปราบปราบกิเลสให้อยู่หมัด น, นะนนนที่ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะแทรกขึ้นมาภายในจิตใจได้หมดไม่มีอะไรเหลือภายานจิตใจเลยเหลือแต่ขันวนๆ น, นั่นแรียเป็นผู้ลังเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้แผ่อำนาจ พายในตัวเองตาที่เรศได้อยู่ไม่มีอะไรเหลือนี่แหละอานาจอยู่ตรงนี้ความขลังอยู่ตรงนี้เมื่อถึงขั้นความขลังเต็มภูมิแล้วอยู่ไหนก็ขลังไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมมุติทั้งหลายจะพาให้ขลังแต่ขลังนี่หลักธรรมชาติของธรรมล้วนๆทึ่มีพยู่ายนจิตใจที่เรศทำละสิ่งสกกระปุกโสงมมันหาคุณค่าไม่ได้ปอกหมดแล้ว มีความขังอยู่ตรงนี้เราจะไปะหาความขังได้อย่างไรตื่นโลกเปลี่ยนทุศาไปไหนอย่างนี้มันกําลังกํำเริ่มนะกรรมฐ า, านเรายิ่งนี้เราทําให้เราวิตกวิจารณกรรมฐ า, านสายท่านจันมั่นสายเดียดนี้ใสากระบาเป็นอุกิทธท่านจันมั่นอุกิทท่านจันมั่งเพราะอันนี้เขาประชาชนเฉพาะอย่างนี้ภาคกลางเขากําลังมีความสนใจใส่ท้ง พระกรมาฐานผุ้โด่งควัตแตพ่ออย่างยิ่งสายของของท่านอาจารย์มัน่นดูที่เวลาว่างๆเขาหลังไหลมาเขาเหิวเขาก็หายอยากพวกพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอาจมีธรรมภาณาจหิวกระหายมานานเพราะฉะนั้นพอว่างเวลาใดเราเห็นเราดูไหมหลังไหลมาวัดไหนก็มีแต่ภาคกลางเพราะนั้นเรามาจองกระถิ่ไม่หมด แล้วพอว่าวันเวลาใดเข้ามาวันเสาร์วันอาทิตย์แค่นั้นก็เอายิมีวันตัดปิดชดเฉยบ้างมีงานวันหนึ่งแล้วมีวันสุก ข, ขัน้นกลางเขาลาสักวันหนึ่งได้สี่วันเขาก็ามาพ<ม>ขาหาของดีเห็นท่านเราพูดอย่ที่จะสามารถจะส่งของดีไว้ให้เขาได้อาบได้ดื่มให้อย่างเต็มปิดเต็มใจมันจะเป็นการขายตัวโดยไม่รู้ตัว ถ้ามัน <C oughs> จิตที่มีเจเลีกพอมีอะไรยั่วๆเข้าบางนิดเสริมๆบางนิดมันเป็นบ้าเลยนีม่มันจะลืมตัวตรงนี้ถ้าจิตไม่มีหลักถ้าจิตมีหลักเน้ยเป็นยังไงก็ไม่เคื่อนไม่ไหวเวลาที่จะอารมณ์ผ่อนผันตามโลกทามสารตามการอันควรก็อารมณ์ซะเล็กๆน่อนอนเพราะโลกกับธรรอยู่ด้วยกันกาลเทศะ ผู้เรียนทยําย่อมทราทําหนักเบามากน้อยในสถานที่การบุคคลอารมณ์ไปเสียพอหมดนั้นแล้วก็ดีบพับเข้ามาคงเส้นคงมาออยตามเยลยเพราะปิดมีหลักเป็นอย่างนั้นถ้าจิตไม่มีหลักหากกดเข็มไม่ได้เคร่งกับเคร่ ง, ง, งมนันก็วจนเป็นที่ถี่มานะถ้าลงหย่อนยานแล้วเคร่งกลับตัวไม่ได้ดีบตัวไม่ได้จมไปเลย ภาการรมัดระวังต่อไปนี้กรรมฐ า, านจะไม่เหลือแล้วนะเพราะความดื่มตัวนั่นแหละเขาชมเชยสนบสนนบ้างเป็นบ้าไปทาการรมัดระวังนะตรงนี้ผู้มุ่งทำย่อมไม่สนใจกับสิ่งใดมากทุ่กว่าธรรมเดนเดินนั่งนอนให้มีสติ นี่เชื่อว่าผู้มีความเพียรมีสติอยู่กับตัวไม่อยู่กับทำบทใดอาการใดก็ตามให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวจนการเป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวหรือเสมอไปได้เพราะการฝึกลนหลงที่แรกเขาขานว่าขาดตอ น, แ, นแรกๆจริงๆก็ล่มลุกคลรายสติกระต่างไม่ค่อยมีแต่การพยายามเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่นเป็นเครื่องชุนยลากกันไปมันก็พยายามไปได้ค่าเชื่อมแข็งขึ้นโดยลำดับ นี่เคยได้พูดให้หมู่พว่าฟังไม่รู้ที่ร้อยกี่พันกี่หนครั้งการส่กขนอารม น, นี่ได้เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วร่วมลุกคู่ครานแต่สำคัญความมุ่งมั่นมันมันมากการกระทำของเรายังไม่รู้วิธีร่บรวมคำคำจนด่นาเดาไปลมบางลุลลนนลลบบางทางาไปบางบางครัง้งดีความตั้งใจมีมาก แต่เพราะความไม่เข้าใจในงานก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนแล้วถูกอบรมเข้าโดยลําดับน่ะคิดก็ค่อยค่ๆแคล่วค่อยรูย้สั ก, กวิธีและปรากฏผลขึ้นมาพอ้เห็นนิดน้อยๆนน้อยเป็นเครื่องแปลประหลาดเป็นเครื่องสะดุดใจเป็นเครื่องจะทําให้เกิดความดุดดื่ต่อความาพาคเรียนที่จะทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้โดยลํำดำับมันก็ค่อยตั้งตัวกันได้จนใจมีความสงบเย็นก็รู้ทัน ใจถ้าหาความสงบไม่ได้แล้วเราอยากเข้าใจว่าเพียรท่านี่จะมีความสุขนหะทุกข์ในร่างกายเฉยก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสขึ้นไปอีกอืมีแต่กินมีแต่นอนมีเฉยมันเสริมกิเลสถึงไปนะร่างกายไม่มีกําลังมากมันทับใจทับจิตราคะออกมากทานอะไรเข้าไปสึงเวลาก็มีกําลังแข็งแรงค่อยแตจะกําเริบผมเองผมรู้ง่าตั้งแต่เรียนหนังสื อ, อยังกันยังรู้ กำลังบางชา้างงเรามันกําลังเต็มที่แล้วก็รู้ขันนมไม่ได้กำลังเรียนหนังสืออยู่เยิ่มไปหมดน้ามุจจิกี่สุเกะ อ, อะไรฝันไม่ฝันมันก็ออกก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงมันถึงเป็นอย่างนั้นหนักเป็นหนึ่งอย่างเลยเดินขึ้น ม, มาเปียกหมดไอ้มันเปียกด้วยเหตุอะไรมาแต่มันจะมีรู้สึกปวดปวดตามเนี่ยเขาเรียกตามน้องเอี่ยงเนี่ยปวดปวดเจ้าขอในระวังมันจะปวดปวดแล้วลากของมันจะเป็น นี่เป็นทุกวันมันก็เป็นทางข้างมันก็เป็นแต่มันเป็นออกนิดนิดหน่อยของมันมันเป็นไม่เดี๋เป็นด้วยเรื่องอะไรมันเป็นด้วภาษามันแต่เรารู่นะชาติรู้สึกว่าธาตุมันมีอะไรมันจะมันปวดที่ตาลูกเกี้ยวนุ่งเอิบอยู่ที่ตับข้างรู้เพราะมันเคยกันมาตั้งแต่นั้นอะไรทําไมจะไม่รู้นี่เวลานั้นมามันก็มันก็มีนิดนิดหน่อยมาตามเรื่องมันตอกบคำถามมัน เวลาฉันลงเข้าไปนี่มันเยอะ เ, เ, เลยเยอมนลยต้องการียนหนังสือก็เป็นอย่างนั้นจึงไม่ไม่ฉันในหนังสือก็ไม่เอานะพอรู้แล้วไม่เอาเวลาเขาวาทสมบูรณให้ทานได้สนะวาพระผู้ใหญ่ทั้หมดทำไม่เอาที่ยิ่ยงออกมาปฏิบัติแล้วไม่เอากุญแจอาจารย์มั่นท่นรุ่นใส่เวลาท่านจึกบางทีตาขาวตาขาวต้มมัน นะท่านอานมมาเพริผสมคนเสียขะท่านรีบสั่งเลยนะสัง่งสมบัขาวี้ท่านมาหาท่านไม่เอานมนะจะนั่นตักั่ววายสมากานะนี่เป็นเรื่องที่ท่านรู้นิสัยของเรานีรู้เรื่องของเราหนึ่งประการสำคัญก็คือท่านสอนพระในวงนั้นเอง มันทลาดมีความหมายอย่างนั้นไม่บอกคงไปคงมาเห็นดูผมเคยฉันท้อนเมื่อไรตมไปอยู่ที่ไห น, นท่านก็รู้ความตั้งใจของผมมีขนาดไหนท่านรู้อย่างเต็มใจอเราตั้งใจขนาดไหนเราก็รู้เต็มใจเ้ื่อไรท่านก็รู้เต็มใจของท่านเพราะผมเคยได้ยินท่านพูดถึงเรื่องกา ร, รบขบการถานันเรื่องถันท้อนถ้ากรรมฐานถันช้อ น, าา น, น, อนดูแล้วมันขวางตา ขวางใจทันทีสะดวกใจเหมือนพระเจ้าชูฉันเพื่อความเห็นภยัยหาอะไรมาเป็นความสะดวกสบายมากโกมาเกล่อย่างนั้นมันขัดกันกับความเห็นภัยในการถันโดยหลักฐานพยานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าปฏิสังขาโยริโศปินาาุปาทางปูเสวันนันสนะฉันพ อ, อยัางอัตภาพไม่เป็นไปเท่านั้นไม่ได้มีอะไรกับรืกับชา อม่ได้ติดไม่ได้ไปดูไปดื่มไปสนใจอะไรกับสิ่งเหนั้นพอยังคี้เปิดเป็นถ้าเดลนไปวันหนึ่งมันก็เรื่องหนาความทุกข์ของฐานของขันต์ไปแล้วเด็กว่าเอาช้อนมาชดเกาะเกาะกกมันก็เป็นการส่งเสริมกิเลสเป็นพระเจ้าชู้เลยองค์ท่านเองท่านก็ไม่อาไม่ทำนั่นเพียงจต่ทานสอนนี่เฉยเห็นเราไปฟังท่านรับฟังด้วยความสนใจ ทนว่าอะไรมันเยิ้มเยอ้มความในวัวใจมันถึงเลยถึงเลยถึงใจเลยเคยพูดให้หเพื่อนฟังเสมออยู่กระท่านถึงแปดปีไม่เคยมีความเคยชินเลยท่านจะพูดทีเล่นทีจริงมันจะจับปั๊บปั๊บ๊๊ตลอดเวละเหมือนเทพพูดถึงเรื่องราคากันหนามันกําเริ่มรุนแรงเล็ดรวดเร็วเวลาทาาขันมันมีกําลังมันค่อดตกวกำเริ่มถันมากมันก็กําเริ่ม เราท้าบกิจนั่นแหละเราท้าบอะไรเราเคยเป็นหมดแล้วผ่านมาทาา้าบขันกาลังเต็มที่เราก็รู้เหมือนว่ามันดีดพึ่ ง, งปังพึงปังอะอะไรมาเพิ่มนิดนึงมันเสริมมันเลยเสริมเลยไม่ต้องเลยลังล ง, งับด้วยการถันน้อยหรืออดมันอ่อนมันเพียงมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไภาวนาเขาดีดขึ้นดีหึ้นอุบาหวิธีการสุขผลตัวของต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้อ ที่นี่ท่านพ่อแม่ผู้วิจารย์ท่านท่านก็รู้แล้วว่าผมไม่หยันท้อนนะเวลาผมออกจากท่านไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนท่านทั้งทั้งท่านก็รู้ผมไปด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่เต็มฐานไปภาวนาอยู่ตามเขาลุกไหนลู่ไหนท่านก็รู้แล้วท่านทําไมท่านถึงยกพูดขึ้นมาอย่างนั้นถามนานมาแล้วนานหน้าหลายวันแล้วนะไปชดใช้ด้วยขอายี่ไหนนะหนาบางอยู พระตีนาา่าห่าพระตีกบาลพระรูปมั้ยพระ อ, องค์มันเดอดนะมีแสดงให้ท่านเห็นทนะ่านไม่กล้าผุ้องคงท่านผู้องคงคลักวกิเลสคนนั้นจะเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นบาปตัวเองม ห, หาอบ า, าสาเดี๋ยวนท่ายรือวายหนือ่อมาห่ะกนะตั้งมหาไนะ <laughs> ม่ไดตั้งท่าก็รู้เราเราตั้งใจกันนั่หน่อยล้วไม่เคยแตกเลยรู้ <laughs> ท่านไมทาพูดอย่างนั้นก็คือสอนหมู่สองคณะในวงนั้นเองเวลาคาขบมาพระ ก, ก็เล่าให้ฟังจนได้แล้ะท่านพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเราพระต้องเลง่าฟังหมดอาจาอุบานอาจารย์มันถงต้องระวังการกบการถันผัดมันมันทามากๆ ม, มันก็เสริมมีรู้เจ้าของ ตอนท่ามีกําลังหมายถึงตอนท่ามีกำลั ง, มมยย ง, มลงไม่ใช่หมายอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้อะไรมันก็อย่างว่านีมันไม่เราก็ถ้าเป็นความต้องการตา ม, ามาล่างท่าหลังขันเราก็ต้องการถ้ามันขันได้นั่นแหละส่วนที่ว่ามันจะไปเสริมกําลังเ้เป็นราคา ต, ตัวสามหวัวนั้นเราไม่สนใจเราไม่คิดเแต่มันทันไม่ได้เพราะเวลานี้ท่านมันทันเรก่องของมันแล้ว พูดให้หมู่เพื่อนฟังในการปฏิบัติต่อตัวเองมีวิปัสสา น, อน้อยมันเป็นไปได้นนั้น่องทานหลังขันมีรอะไรเสริมมันแสดงการภาวนาไม่สะดวกพูดเป็นนักภาวนาสังเกตจิตจะต้องทราบเรื่องทางหลังขันมันเกี่ยวข้องกับปิดอย่างไรบ้างเราต้องทราบนอนมากมันก็สแสดงถ้านอนมากนักพะก็เป็นการเพิ่มเหมือนกันต้องหอนึ่งระมัดระวังวิธีการปฏิบัติไม่ใช่เล่นๆนะ ต้องมีอุบายแยบคายสำหรับตัวเองสังเกตตัวเองสักก็จะทําไปสุ่ม 4, สี่ซุ่มห้ามคิดหน้าขาดหลังไม่ทบทวนด้วยผลโดยทางปัญญาแล้วมันไม่ได้เรื่องมันต้องใช้ความคิดปัญญาแล้วเวลาหมู่เพื่อนมาใหม่มาอยู่นี่ก็ให้ดูมาศึกษาอบรมตามีให้ดูท่านทําพาทํางไงหมู่เพื่อนทําไงโโหมีให้ฟังท่านพูดอะไร ให้ดูให้ฟังนั่นแหะเชื่อมาศึกษาไม่ใช่จะมาฟังครูบาอาจารย์เทศนโมตัสัมถึงจังหวัดเทศการเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสิงที่มาสัมผัสไอสนะของเราที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนกับครูบาอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นการฟังการศึกษาทั้งนั้นถ้าเราจะเป็นผู้สนใจต่อการศึกษาต้องได้รับการศึกษาการอบรมตลอดเวลาโดยหลักธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกัน <c oughs> แล้วอย่างไรอย่าลืมเรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหียงวุ่นวายยาหามาทับมาสมจิตใจนี้ไม่ใช่งานเพื่อถดถอนกิเลสเป็นงานเพิ่มกิเลสเป็นงานสั่งสมกิเลสมากขึ้นความกังวลวุ่นวายเพราะการสร้างเกี่ยวกันเงินเวลานี้ทรากันไหนว่าเงินกำลังมีอำนาจเหยียบย่ำทำลายสิ้นธรรมวัดวาอาวาตตลอดถึงหัวใจท่านนแหลกไปหมดเลื่อดพากันคิดแล้วอย่างนี่คิดนั่นนะ มันคิดได้หรือมันเกี่ยวข้องอยู่ทุกเวลาตามองเห็นภาพจิดมันอดชีวิไม่ได้มันต้องคิดอะไรก็มีแต่เงินอะไรก็มีแต่เงิน น, นี่ใจเมื่อมันไปทางนั้นแล้วมันก็ดึมทํานั่นแหละวัดถุง ก, ก็เข้ามาเหยียบยั่ำทำลายจิตใจเสียเฮ้ยไม่ได้เรื่อำเลยล่ะวนมาแทนที่จะทํา อดถอนกิเลสมันกลับกลายเป็นเรื่องมาสั่งสมกิเลสด้วยงานนั้นงานนี้โดยการอตอบการแสดงด้วยความพอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึงเป็นด้านมาถูไปเสียแล้วมันสั่งสมกิเลสวันหนึ่งมากเท่าไหร่เราแต่ว่าเราเป็นกรรมฐานเล้วม่ได้คิดถึงเรื่องว่าอะไรที่ต้องมาเป็นภยัยต่อจิตใจเรานี้จึงหากว่าสงบเรื่องเย็นหาความสว่างแก่สายภายนอกิจไม่ได้คืออะไรก็คืออารมณ์ของใจนั่นเองอารมณ์ความอยาก อารมความหลงความเุ้งเฟล่ความเหง่อกําหนูกับเพื่อนกับวัตถุนิยมสินี้นเป็นเรื่องทําลายจิตใจทั้งนั้นพู้ตั้งใจเป็นอัดเป็นธทำแล้วมันต้องยุง่งบิณฑบาตได้อะไรมาฉันพอเท่านั้นพอได้น้อยได้มากพอไม่สนใจว่าอาหารนี่น้อยอาหารนี่มากอาหารนี่มันรส ด, ดีไม่ดีไม่สนใจเพราะยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นเป็นที่พอใจแล้วขอให้บําเพ็ญธรรมะขอให้ธรรมะสมบูรณ์เียงนั้นไม่ําขัด ทำภาคเพียรให้สมบูรณ์นั่นเป็นที่พอใจนี่ ไ, ด, ไ ด, ด้เคยได้เหตุเคยได้เหตุได้ผลมาไหนบ้างรู้มากมากรู้น้อยก็รู้มาด้วยวิธีการนี้ไมไ่รู้มาด้วยความเดือเฟือความอิ่มหนำช้ำรานอือยู่ด้ว ย, ยอยูมกินมากนอนมากยืนสะดวกสบายไม่ได้รู้ด้วยวิธีนี้รู้ด้วยความอดอยากขาดแคลนพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่าทำเจริญแก่ผู้ปฏิบัติด้วยความอดอยากขาดแคลน เข้เมแขแต่ทําหาความจเจริญไม่ได้หรือทำที่ผาตาปเพราะความฟุ่มเฟือยความเหลือเกลือเป็นอย่างวัดป่าบันตานี่เงียจะทำยังไงนั่นก็เป็นศรัทาของเขาเป็นแต่เพียงว่าได้กระซิบกระซา บ, บอกพระบอกเล น, นเราให้รู้วิธีปฏิบัติตัวเองคนนั่นกลับมาคนนี้กลับมามันขาดเมื่อไหร่ก็อย่างเห็นนั่นแล้วเขาก็อยากได้บุญไปเจริญนางเขาเราก็ไม่มีไรที่จะทำเนียเขาแต่เราซึ่งเป็นนักปฏิบัติก็ให้ รู้ตัวเองเรียนปฏิบัติต่อสิ่งใดให้เหมาะสมคือไม่ให้เสียทางหน้านจิตใจเราอาหารประเภทใดที่เป็นภพยต่อการภาวนาอาหารประเภทใดมีคุณต่อภาพต่อขันไม่เป็นภพยต่อการภาวนาเราใยึดอันนั้นเป็นสาคัญยิ่งกว่าลิ้นเราอยาให้ลิ้นวิ่งแสงหน้าทำถ้าลิ้นได้เดินหน้าทำแล้วทาหาทางก้าวไม่ได้หาออกไม่ได้ เพราะงั้นต้องให้ทำเดินแทงลิ้นเสมออย่าถือลิ้นเป็นใหญ่ ย, ยิ่งกว่าทำปากเรื่องท้องอย่าถือเป็นสำคัญยิ่งกว่าทำผู้นี้แหละผู้จะได้ผลในการปฏิบัติเอาทุกข์ก็ยอมรับว่าเราทำงานเราฝึกทรมานกี่เลียกี่เดียดนี้กำลังขนาดไหนเราจะไปทำเบาๆหย่อนๆ อ, อ่อนๆกำลังมันได้หรือกีเดียมันมีกำลังมากขนาดไหน มันก็ต้องได้ทุม่มกันลงเต็มที่ถึงข้าวเป็นเอาเป็นถึงข้าวตายตายเราได้เคยทํามาได้ทั้งนั้นไม่ได้มาคุยหมูขั้นทางเฉยด้วยความเบื่ออวดเราทำได้ทั้งนั้นบางครั้งสลามว่าอาตาก็ตายเถอหนึ่งพึงขนาดนั้นไม่ไม่ทราบกี่ครั้งกี่หมแล้วไม่ว่าจะไปจะอยู่สถานที่กลัวเคยทําแล้วกลัวอะไรกลัวตรงไหนเดินบุกป่าไปเลยเราเคยแล้วนี่นะเดินจงกรมยิ่เหมือ น, นกับเสือ มีสักกี่สิบตัวก็ไม่ทราบอรอกมาห ม, มอบอยู่ข้างทางยังงบมันเป็นสิบสิบรอกทางยังงบดูสิสัญญาเลมมันหลอกเราเออยังไงนี่เสือทั้งแผ่นดินนี่มันก็มีอาหารเฉพาะพระไม่เป็นพระองคเดียวเท่านี้เหนือพะนักสนะเหนือเท่นี้เหนืนี่จะมาคอยดูมันกินแั่พระอเดียวนี่สน เ, เสือตัวไหนมันใหญ่สุดอยู่ที่ไหนอทั้งยามก็หลอกมันอยู่ตรงนั้นอ๋อไปให้ตัวนี้กินก่อนเถอะ ออกไปแไม่ไม่มีนานเห็นไหมมันหลอกเราหนึ่งแลนะเนี่ยจับไอ้ภาพเอาไปอีกตรงไหนไมันก็หลอกไปตรงนั้นว่าตรงนั้นแล้วว่าตรงนี้ก็บุก ป, ป่าเลยเอาหน้างวันนี้นะงั้นเลยเนี่ยเอาล้ น, นะสิ่งนะหยุดเอาถ้าว่าความกล้าหาญไม่เกิดถ้าไม่ชนะสิ่งตรงนี้ได้แล้ววันนี้ทั้งคืนจะไม่หยุดใครจะว่าเป็นบ้าเป็นบอออกลงไหนต่าไหนถูกบ้านไหนก็ตามเร็จวันนี้จะดัดขั้นดั น, น่าเราไม่เป็นบ้าเราดัดลรา ที่เลยเตัว ม, มันหลอกโดนมาต่างกวบกใหญ่พี่นานเรื่อยไปบกไปเลื่อยพี่นานเรื่อยว่าซื้อตรงไหนโดดเข้าไปไม่มีฟืนมีไฟนั่นเลยบบกไปกลางคืนนี่เลยมีแต่ผ้าอังสะาเท่านั้นแหละเนี่มันทําเลยนะผมหมั อ, อยู่ตรงไห น, นเอกยินก็กินเถอะะถ้านักศาสนาภาพแบบนี้ถ้าขี้ขลาดบาดตัวนีอย่าให้อยู่นักศาสนานานเลยอ่ะไม่รู้ให้ตายวันนี้ หมายตาให้ลู่้ทำไมเกิดความกล้าหาญจนเป็นที่แน่ใจตัวเองตั้งเมื่อไรแล้วจะกลับไม่ได้แล้วนี่เอาให้ถึงเหตุถึงผลกันเสือมิตทลายมามาหนีมามากินคนภาคี่ขามักศาสนาองค์เดียวนี่เอากินเถอะไม่เสีได้แล้วเท่านั้นทําบุกบุกเรื่อยเดินเลยกําหนดพิจารณาเลยที่นั่นว่าที่นี่ที่นั่นเสือต้นนั่นต้นนั่นเสือตัวนี้ไปท้่ไหนไม่มีเสือรอเขาหรอกรู้ด้วยรู้เทรนทงมันเรื่อยเรื่อยตามมันทันกําหนดพิจารณาไม่ถอยน่ ไม่ใช่ไปบุกป่าแบบบา่าๆแบบภาวนาหรืว่าไงศึกจะวิธีภาวนาหากทำแบบนั้นบางอย่างเขารู้เขารูกเขาเข้าใจเขาเรื่อยๆที่กล้าหารขึ้นมาโอ้โหบอกว่านราก้าหารตัวสั่นเหมือนกันกังวนกลัวนะทีนี้ไม่ว่าจะอะไรถึงหมดโลกไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นอาถารพ์จนตัวสันน่นดูที่อํอานาจการทำเวลาเราไปที่ไ ไม่ว่าเสือไม่ว่าช้างอะไรมาก็เถอะมันจะอ้าปากแล้วโดดเขอนในปากมันได้เลยเดือดมันจะงับเราไม่ได้ช้างก็ช้างเถอะอย่างนั้นเลยจะเดินก็ไปหามันดในสมายอะไรก็ต่างขึ้นชื่อว่าศัตรูเยอะอันตรายแล้วไม่มีกลัวเมื่อไม่กลัวลราไปสมายจริงเมื่อไม่กลัวแล้วกลับกลับกลั บ, ลบมาเดินมีความสบายสิไมันมีอะไรเลยจึงไม่เห็นโทษของมันบางนี่หมายถึงเป็นระยะเป็นขั้นข า, ขาไม่ใช่มันระ ง, งับ ไม่ใช่มันดับไปทีเดียวจนหมดไม่ต้องแก้ไขกันอนะีกแะมันมีขึ้นอีกได้เหมืนอนกันไม่วันใดก็วันหนึ่งมันแสดงนี้มาเอาอีกเหลือนั่นเพราะเราเคยเห็นเหตุการณ์เหตุผลนี้มาแล้วเนี่ยเราได้เห็นได้ผลกับวิธีการนีม้มาแล้วเอาอีกเหลืะโอยหมาะไปอื ย, อย น, นี่จะพูดถึงเรื่องความกลัวกลัวเอาอย่างนี้อ่าแบบ ต, ตัดมันแบบนี้พูดถึงเรื่องนั่งเอาทุกขนาดใน เราให้มันเห็นความทุกข์นี่มันไม่เลยนะท่าขันนี่ไปมันอยู่ในท่าในขันนี่พิจารณาค้นมันรู้ว่าทุกทุกท่านผู้เผยพระเจ้าท่านมดทุกครังอรียกสัจจังว่าเป็นสัจธรรมเป็นของจริงทำมาอยู่กับเรามันจรงปองมันตอบเพื่อเหตุหเอาแล้กันท่ทีนึ่พูดถึงหนึ่งทุกขเวทันมากําหนดกันบอกสว่างเป็นอย่างน้อยเป็นวันใหม่ หือมันจ ะ, ตะเตลเิดเปิดเปิงไปแล้ไปแล้วแต่เหตุการณ์ของมันแต่อย่างน้อยต้องสว่างเป็นวันใหม่หก่อถึงจะลุกจากที่นี่ได้เมือม่อเมืม่อยังไม่ถึงนั้นแล้วเอาอะไรจะขาดขาดไปถึงวันนี้จะถอยกันไม่ได้ถ้าไม่รู้สัจธรรมพูดุ้แล้วสาทุขึ้นเลยยกมือขึ้นสาทุสัจธรรมมิเท่าไรขอแสดงให้ขา้าพเจ้ารู้เห็นให้หมดวันนี้ขา้าพเจ้าจะฟังสัจธรรมนี้จนกระทั่งหนงสว่างสองตายไปเท่านั้นหากว่าฉลบลงไปล้มลงไปได้ะติแล้จะ ลุกขึ้นมานั่งทันทีไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อแม้เช่นเว้นปวดถ่ายหนักเบาไม่มียกเว้นนึงเดียเหตุอันตรายชุกเฉินที่เกิดขึ้นในวงวัดเช่นเกิดขึ้นกัค ร, รูบาอาจารย์หรือพระเนรองใดอันนั้นเรายกให้ก็ อ, อยู่กัหัวด้วยอนลุกเปล่าได้แต่ท่านบรรจของนี่อะไรก็เถอะวา ง, งั้นเลยเออขี้มันจะปวดก็อ๋อมันทนลักออกเลยอือเราลุก เวลาเราออกจากที่แล้วเราล้างได้ตั้งแต่เราขี้จะตักแม่ที่จะมือแม่ทําไมเราขี้ได้ขี้ในตัวผ้างเราเองเราล้างไม่ได้เลยมันไม่ปวดอืมถ่าเราไปมีข้อแม่แล้วมันจะหาทางออกเน๋ยวปวดหนักเดี๋ยวปวดเบาเลยไม่ได้เรื่องมันไม่มีอะไรเป็นข้อมันไม่มีอะไรแล้วมัดมันไม่เลยนัย่นเอ้าแล้วทมันจะทำงานตอนทุกเวทนาหนักหนักเ น, นี่โอ้ จิตมันนั่นแหละคนเรามันไม่เด็โง่ตลอดไปนะอืมได้ความรู้ขึ้นมาอีกนะเนี่นยเวลาจนกรอบจนมุมแล้วอัตตาเหตุตโนธโธจะเด่นทีเดียวมันมีทั้งใครช่วยอยู่แล้วเราช่วยตัวเองเจ็บหนักปวดหนัลกลําบากมากอะไรทุกข์มากอะไรสติปัญญามีหมุนติ้วที่ค้นหาความจริงมันทุกข์ที่ตรงไหนอะทุกข์ที่ตรงไหนมากเอาตรงนั้นเป็นเป้าหมายเอาตรงนั้นเป็นสนามโลกเป็นสถานที่พิจารณา ถึ่าเอวมันจะหักมันจะหักตรงไหนอะไรหักอะไรเจ็บหนังหรือเจ็บกระดูกหรือเป็นทุกหรือเอ็นเป็นทุกหรืออะไรเป็นทุกเรายกควอมเกียบเทียบเข้าทันเหตุทันผลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทุ ก, ก, กมากเท่าไรยิ่งหมุนปัญญายิ่งหมุ น, รรยยมนจะอยู่ยเฉยเยไม่ได้อยากให้ทุกข์ดับไปเท่าไรยิ่งเป็นการเพิ่มทั้สมูไทยขึ้นมากคือความอยากเราต้องพิจารณาให้เห็นความจริง วาดลงไปก็จแยกแยกได้ยกอย่างชัดเจนหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อต่างอันต่างจริงสรุปแล้วกลายเป็นกายต่างอันต่างจริงเวทนาเป็นเวทนาเป็นความจริงล้วนๆโอ้นี่ท่านว่าทุกขังอาจารยงเป็นความจริงเป็นอย่างนี้เองเนี่ยไม่ต้องถามใครเลยมันรู้ประจักษ์ใจอืมกายเป็นความจริงของกายเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นสุขเป็นทุกข์ไปเผาไฟเมือนจิตไม่มีครองอยู่ในร่างนั้นแล้วเขาก็เห็นว่าอะไร มันใายเป็นคนว่าทุกข์นั้มันเกิดขึ้นจางไหนถ้าว่าใจมันเป็นทุกข์เอ้าใจยังมีอยู่ทุกเวลาทําไมทุกข์ประเภทนี้ถึงเพิ่งมาเกิดแล้วทุกข์ประเภทนี้ดับไปใจทําไมไม่ดับด้วยถ้าว่าใจเป็นทุกข์ทุกข์เป็นกาใจแต่ละเดียวมันจริงอถ้าว่ากายเป็นทุกข์ทุกข์เป็นกายก็เหมือนกันนะเวลาทุกข์นี้ดับไปทําไมกายยังมียังมีอยู่ไม่เห็นดับไปด้วยเล่ะมันแยกมันจะกําหนดกี่ตัวไหนจิตเจาะลงไปเจาะลงไปกําหนดลงไปพอมันรอบอนี้ก็ทุกข์ ดับหมดเลยไม่มีเหลือออกจากทุกดับหมดแล้วกายหายหนับไปหมดความรู้สึกแต่ใครจะมาคาดนะให้เป็นตามแบบธรรมชาติตนเองจะมาคาดอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นสมบัติของใครของเราตามกปฏิบีติแสงอะไรของอใครจะแสดงขึ้นมาอย่างไรจากภาพกระเดื่องตัวเองจะทราบเองเป็นสาธิตจิโกยจาคาดหรืเรื่องของคนนั้นคนนี้มาใส่ตัวนอกจากจะยึดเอาปฏิบัติทางวิธีดำเนินของท่านมาปฏิบัติปฏิบัติเพื่อ ให้เห็นผลตามจะดีนิสนัส่วนเท่านั้นอันนั้นถูกต้องการที่จะมายิดกินของเราเป็นอย่างนี้ทำมันดับร่างกายทุกสวนไม่มีอะไรเหลื อ, อยาไปคิดไม่ได้นะมันเป็นตามมิตรสายแค่แต่ผมเองมันก็เคยเป็นหลายอย่างผมก็ไม่ค้านเจ้าของเพราะจะค้านเจ้าของในมันเป็นความกินแต่ละอย่างอย่างไปค้านความกิงได้เลยเวลามันดับหมดจนไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายเหลือแต่จิตที่เป็นของอัศจรรย์ล้นล้ว น, นเมื่อเหลือแต่จิตเท่านั้น อะไรก็อัศจรรย์แต่นั้นทั้งๆที่อวิชชามันก็มีอยู่ภาในใจนะแต่ขณะนั้นมันอัศจรรย์ที่สุดเพราะเราไม่เคยเห็นนี่รวมลรวมเต็นที่เลยอกลายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเต็มจิตเนี่ยจงางอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกันหลังจากนั้นมันก็พังทลาลงไปแล้วเวทนาดับหมดพอดับหมดกายหายสักแต่ว่าพูดไม่ได้นะว่ามีแต่ความรู้ล้วนๆเด่นๆไม่ได้นะละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกเราจะพูดได้เพยว่า สักเท่า ร, รู้หากเป็นของวัตถจั่อย่างยิ่งไ่นฟังสิมีทางนั้นมันมีอะไรปร า, ปากฏเลย น, นี่แหละผลของปัญญาเกิดขึ้นจากปัญญาการพยายาิจารณานัคนเรามันไม่ได้โง่ตลอดไปนาะคนเราอาศัยพึ่งกินคนอื่นนิสัยชอบพึ่งคนอื่นไม่ชอบพึ่งตัวเองไม่ได้เลือกนิสัยของมนุษย์เราชอบเป็นอย่างนั้น เวลาทนถึงค้งาจนกรอกจนหงมหาที่งมแล้วมันย้อนพอมาตัวเองพึ่งตัวเองนี่แหละเป็นอัตินาโถอันนี้นนนเด่นครับพอได้ที่หนหนึ่งแล้วเท่านั้นที่นี่มันยิ่งมีความกล้าหารผ่านชัยอืทั้งต่อไปนั้นอาวฟาดลงไปอีกแต่การพิจนารณาเราจะยึดอารมณ์อดีตทั้งนอาพิจนารณาไม่ได้นะให้มันเกิดขึ้นมา ส, นสดๆร้อนๆโดยอุบายของเราในปัจจุบันปัจจุบันแต่แต่ละครั้งละครั้งนี้ให้เราคิดขึ้นมาเองแม้จะโกงกับอุบายอันเก่าก็ตาม ถ้ามันเกิดขึ้นมาจะสดร้อนร้ภายในปัจจุบันเป็นความถูกต้องเหมาะสำนึเกตการแก้กิเลสแต่ถ้าเราไปค่านั้นมาใช้วันนี้เราเอ า, า, า น, นั้นมาใชดได้ผลเราไปค่านั้นไม่ได้นะมันต้องเป็นอุบายใหม่ขึ้นมาเท้านั้นเลยขึ้นมาปัจจุบันปัจจุบันคิดขึ้นมาค้นขึ้นมาพิจารณาขึ้นมาัมนหักลูขึ้นมาเองอันนั้นเหมาะกับการแก้กิเลสที่มันมีอยู่ในปัจจุบันคือภายในจิต เนี่ยะอย่างนั้นการพิจารณาดูมันชัดการดูคนมีมาตั้งแต่วันเกิดหมอมันปวดกระดูกเนี่ยมันเข้าใจว่ากระดูกเป็นทุกข์เลยมันก็สงวนกระดูกกำหนดดูกระดูกแล้วกำหนดดูทุกข์มันเป็นอันเดียวกันไหมแล้วรูปลักษณะมันต่างกันไหมทุกข์มันมีไม่มีรูปมีลักษณะแต่กระดูกมันมีรูปมีลักษณะมีสีสันมันละหนังเนื้อเอ็นเหมือนคันทุกขเวทนามันไม่หรือมีรูปมีลักษณะมันต่างกันอย่างนี้ แยกลงไปพี่นาไปจิตมันจ่อจอจอกำหนดลงไปทุกมากเท่าไรมันยิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วจนกระทั่งมารอบเข้าใจแล้วปลอ่อยเห็นหล้าผลหนอัศจรรย์เกิดแล้วโอ้โหอาฐานสมาธิประเภทนี้อาฐานมากผิดกับสมาธิที่เรากำหนดให้สงบโดยลำพังเพราะอย่างผมนี่มันทำนานสมาธิไม่ใช่พูย พูดให้หมู่เพื่อนฟังซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาพูดเป็นการเองพูดให้ฟังตามคำสั่งคำสั่งยังสมาธินี้ทํําชานาญจริงๆพ่อติดสมาธิอยู่นั่นตั้งห้าปีกาหนดให้ลงเมาแหละก็ได้ยัลงไปมันแนู่นั่นเถีมันไม่อาจหันเหมือนกับทสงบลงไปด้วยปัญญากาหนดพิจารณาลู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยลงไปนี่มันอาจหันมากนะสง่าผ่าเผยภายในนั้นผิดกันกับที่เข้าไปสงบอยู่เถื่อผิดกันอยู่มาก ที่เวลาถอนออกมาแล้วก็ได้วความอาถารพได้เป็นเครื่องหรือเป็นคติเตือนเจ้าของเป็นอีกแบบหนึ่งเราได้เห็นผลครั้งหนึ่งแล้วเท่านั้นทีนี้จิตใจมันจะกล้าหานเป็นคนใหม่ขึ้นมาเลยเรื่องความตายไม่มีสตปาร์มมีแต่จะให้รู้ความจริงเท่านั้นเอาตายก็ตายเธอหน่งแน่ใจเจ้าของเลยว่าจะไม่พังไม่เผลอ เพราะอำนาจแห่งทุกเวทนามาครอบมีานามเวลาจะตาจะ เ, าเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะกเว็เวทนาที่ปรากฏในเวลานี้ทุกสังขารก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ผิดกับอย่างนี้ไปนี่เราก็ได้พิจารณาแล้วได้รู้แล้วได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเป็นสัจธรรมเต็มภูมิตาย ก, ก็เป็นสัจจะคือความจริงหนเต็มภูมิของใจเวลาจะตายจะ อ, อะไรมาหลอกเราวะเจ้านั้น เ, เวทนาหน้าไหนมาหลอกเราขอให้หลง แล้วยังแยกอีกเรื่องความตายมันอะไรตายเนี่ยมันเข้าใจจนขนาดนั้นนะถ้าตสี่ดินนั่งลงไปสลายจวงแต่มันตายที่ไหนมันลงไปสู่ธาตุเดิมทของหมันจิตก็เป็นจิตต่างอันต่างจริงนี่นี่มันก็อาจหันชามชายต่อกความเป็นความตายต่อความทุกข์ความลำบากจิตใจยิ่งสง่าผ่าเผยขึ้นมาโดมลำดบนี่นี่ถึงค่าวที่สละตายนี่ได้สลักมาไม่ทราบผีข้างแรง เรื่องเกี่ยวกเรื่องความกลอะไรๆอย่างนี้ก็เคยทําแบบนั้นสละตายแบบนั้นเรื่องทุกขเวทนาเนี่ยมันกลัวทุกขเวทนาก็สละตายแบบนี้แล้วได้ผลทุกแบบที่ทํามานี่เะพาะอย่างยิ่งการนั่งภาวนาถ้าลงวันไหนได้ฟาดลงตลอดลุ่มแล้ววันนั้นต้องเยี่ยมทุกวันเป็นแต่เพียงว่ามันลงได้ยากง่ายต่างกันช้านานต่างกันถ้าอากาศดีๆฝนยิ่งให้ฝนพรำ มันเรานั่งภาวนาปันตลอดลุ่งให้ฝนมันพราตลอดลุ่มโอ้โหวันนั้นช่วยได้ที่สุดนะอุตส่าห์ปาย่ะคพื่อปีนผ้าอากาศเป็นที่สมาช่วยการภาวนาดีได้ดีพิจารณานี่เหมือนกับพิมพ์ปากคมๆนี่ะพอนีป้าปิดป้าปิดปะกําหนดพิจารณาอะไรมันมันเข้าใจป้าเข้าใจป้าทะลุทะลุทะลุเฉยๆก็ลงถึงเนี่ยถาวันเช่นนั้นทุกเวทนาไม่ครอบมราผิดกันนะ นั่งเวลาเท่ากันก็ต า, ามสาคัญอยู่ที่จิตลงได้ยากเลย嘛จิตพิจญานยากพยานง่ายลงยากลงง่ายถ้าวันไหนมันฟาดมันจะจนบอบทําจนจะเป็นจะตายแล้วถึงลงวันนั้นทุกมากวันไหนพอจับ ป, ป, ป, ป, ป, ปั๊บติดปั๊บติดปั๊บลงปุ๊บแล้วพอถอนพอถอนขมากําหนด พ, พิจารณาอีกลงปุ๊บอีกเนี่ยทุกเวทนาไม่พอจะมาครอบงาได้พอถึงเวลาแล้วลุกขึ้นไปเฉยธรรมดาเหมือนเราเหมือนไม่ได้นั่งตลอดดุ่มนะ ไม่มีความเจ็บปวดอะไรเลยโอ้โหมันย้อนให้หลังไปคิดถึงเรื่องขพระพุทธเจ้าสาวกที่ท่านเข้าสมาเข้านิโรธสมาบัติกิดในขณะที่จุดปเป็นเอกเทศเพียงอันเดียวนั้นมันไม่รับทราบอะไรในส่วนร่างกายแล้วจะอยู่ไปตั้งกับตั้งกันทำไมันอยู่ไม่ได้แหมมันเป็นอย่างนั้นนะกิตนะแต่ยังไงมันก็ถึงว่าร่างกายเป็นทางาตุกข๊กตาตาแต่กินมันไม่มาเกี่ยวกันเลยเรามาเทียบถึงเรื่อง ทุกเวทนาวันมีมากมีน้อยทั้งทั้งที่เวลาเท่ากันเพราะการที่เจานาลำบากสะดวกต่างกันนี่เราก็ได้ข้อคิดได้เป็นคติเครื่องสอนเจ้าขแต่ยังไงก็ตามได้ทุกครั้งถ้าลงได้ถึงมันนั้นได้ทุกครั้งเลยเรือ่องความอัตจักรนั้นไม่สงสัยการภาวนาสำหรับผมมันซาตตาย เราก็พอใจคิดย้อนหลั ง, ห ง, งนี่ภูมิใจความเพียรนี่เปของเวลามาอยู่กับหมูกับเพือ่อนเห็นทำยืดยเห็นดทำงงๆอย่างเนี้ยมันลำพานเราสอนบอกเพื่อนอย่างนี้แทนที่จะได้เข้าขอกเข้าใจซึ่งเป็นของจำอยาไม่ได้ต้องมบอกซ้ำๆซักๆที่มันลำพานเอ๊ะมันยังไงมันยังไงมันทําให้ชงทนสนเทียนใจเอ๊ะมันยังไงนี่ว่ามาตั้งกิจตั้งใจมาฟังทำํำไมพูดอย่างนี้นี่ไม่รู้เรื่องเนี่ย ซึ่งไม่ใช่เป็นของละเอียดอะไรพอจะท่ อ, องบทุท่องวัยายเหมือนสวดมนต์สวดพรพิจารณาเข้าอย่าเอาเรื่องอะไรม า, ย, มม า, รา ย, ยุ่งเหยิงวุ่นวายภายในจิตใจดำเนินตามนี้กิเลสมันจะพ้นได้เหรนะือพระวิชาญแก้กิเลสด้วยวิธีนี้โดยอุบายเหล่านี้ทำไมกิเลสเป็นประเภทเดียวกันกับขังบ้งพุทธการธรรมะเป็นเครื่องแก้กิเลสเขาประเภทเดียวกันความเพียงประเภทเดียวกันแล้วทำไมจะแก้ไม่ได้วะ กาวิโกหมายถึงอะไรคิเด็ก็มีอยู่กับเราตลอดกาลเวลาในหัวใจธรรมะเมื่อผิดขึ้นมาความภาเคเพียรมัก็มีได้ตลอบเวลาได้มีได้ทุกการทุกสมัยเอาแก่กิเด็ได้ได้แล้วก็เป็นอาการวิกติอาการวิจกธรรมเป็นธรรมแท่งเดียวหาการหาเวลาไม่ได้เนี่มันก็มี่ญญนัะรนีล่ะ้จุ้อถ้ามยากค